ตอนนี้เวลาทํางานนะคะบางทีทํางานเราต้องอาจกับคนนี้ตอนที่เราเราพูดเนี่ยพูดไปพูดไปความหุดมิดมันก็ขึ้นขึ้นขึ้แต่พอพอหยุดวางปูโทรศัพท์บางทีเราลุกเดินออกไปมันก็จะขาดตรงนั้นเลยมันจะเห็นจิตดวงเมื่อกี้ะมันไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่ดวงดีเออดีแล้วนะดวงดีแล้วตื่กไปได้ด้วยแต่บางทีเห็นทุกข์แล้วมันก็ยังปล่อยไม่ได้มันมันสลัดไม่ออก มไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกสลัดนะฝึกรู้ตามความเป็นจริงก็ให้รู้ไปอย่างนี้แต่รู้ ไ, ไปจนวันหนึ่งเราเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองจิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเลือกไม่ได้เลยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ได้เรียนเพื่อควบคุมรินตรงกันบ้านไม่ต้องกราบแล้วเสียเวลานั่ง น, นั่งให้สบาย วันนี้ดีกว่าทุกๆวันชัดแล้วก็ถี่กว่าทุกวันนะคะรินต้องเพิ่มความตั้งมั่นนิดหนึ่งค่ะติตขาดความตั้งมั่นอยู่นิดหนึง่งดูออกไหมไม่ออกค่ะรู้สึกไหมมันเหมือนกระจายรู้ส<ช>ึกสบายๆนะแต่ว่ามันออกนอกค่ะมันดูออกไปนอกๆดูเข้ามาไม่ถึงใจของเราค่ะตรงนี้ดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกค่ะ ถ้าตร ก, ก็ไม่มีปัญหาคือการปฏิบัติเนี่ยในความเป็นจริงแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกี่ยงไม่เลือกไม่เลือกสภาวะเพราะสภาวะทั้งหมดแสดงใจรักเท่าๆกันนี่พอเราไปรู้สภาวะแล้วจิตเราเกิดดีดีร้ายขึ้นมานให้เรารู้ทันดงั้นถ้าเราไปเห็นจิตกระจายออกไปไม่ตั้งมัน่นรู้ว่าไม่ตั้งมัน่นแค่นี้ก็พอแล้วส่งต่อบไป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 แต่ก็ถ้าเข้าใจแยกได้คือบางทีพอเรารู้ว่าเราคิดปุ๊บเราก็จะเหมือนกับว่าเอาคิดอีกแล้วอยวอ่าไปว่าเขานะจิตมีหน้าที่คิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์จิตใจเราคิดเป็นเป็นบุญแล้วละ่ะเราไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดนะแต่ว่าความคิดเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดำรงชีวิตอยู่กับโลกได้รู้ผิด ช, ชอบชั่วดีได้ แต่ว่าพอคิดคิดไปแล้วเนี่ยจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยตัวเนี้ยให้คอยรู้ทันเหมืนจิตจิตไม่ห้ามความคิดนะถ้าห้ามความคิดแล้วมันก็เฉยเฉยไปไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีกุศลอกุศลอะไรเฉยเฉยนะไม่ไม่ได้สุดให้เฉยต่อเนี่ยอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วทราบไหมเ mm hmm. นียแค่รู้เท่าที่ไหลไปคิดแค่นี้พอละให้รู้ทันใจของเราที่แอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด เวลาที่เราอยู่กับโลกทํามาหากินอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเราไปคิดไม่ห้ามมานนันหรอกแต่พอไปคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเกิดปฏิกิริยาอะไรคอรู้ทันไงด้เลยสมมติว่าเราทํางานแล้ว เ, เราคิดไม่แล้วเราจะรู้ว่าเราคิดไม่เอาอย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเขาเขารู้เรื่องที่เขาคิดแล้วเนี่ยเขาจะรู้กายรู้ใจไม่ได้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 องค์ก็มีเน LEGO, หนื่อยเหมือนกันแล้วก็องค์เข้าใจเราเป็นเพราะว่าองค์อ้วนเกินไปมันก็เลยเหนื่อยไม่หรอกแต่ว no ่าพอเราหายใจเข้าพอองค์จับลมหายใจเข้าออกสักสองสามครั้งก็เหมือนของพ่อพูดเมื่อกี้เลยก็เลยเอ๊ะหรือว่ามันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าอ้วนมันเหนื่อยเพราะว่าใช่หรอเข้าใจคือการทําความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ายังไม่ชำนาญนะเกิดความจงใจจะรู้สึกถ้าจงใจจะรู้สึกจะเหนื่อย งันหัดใหม่ๆหลา ย, ลายคนฝึกป ฏ, ฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกเหนื่อยเผลอๆไปแล้วสบายกว่าแล้วรู้สึกตัวแล้วเหนื่อยหัดใหม่ๆอย่างเป็นงี้เมือกี้เร่นข้าวมาแล้วรู้สึกเหนื่อม่ได้ทำอะไรบางทีมันตื่นมาตั้งนานนะถึงว่าตอนตอนที่เร า, เรายังไม่ได้ลุกขึ้นม า, มมามนบางคนน่าใจมันก็ตื่น้วทั้งคืนแล้วก็มี มันทำงานไปทั้งคืนเลยตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยนะเออตอนนี้ไียงคลายแยังไม่หมดนะดูอกไหมยังไม่หมดยังมีการควบคุมบังคับเหลืออยู่แต่ว่าเบากว่าแต่ก่อนถ้าเบาขึ้นมาได้เราก็มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงถ้าปล่อยได้หมดแนละ้วก็สบายหน่อยส่งมาทุ่หน้าเลย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 ถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมถ้ายังเห็นว่ามันสุขบ้างทุกบ้างนะมันก็อยากได้สุขเราจะดิ้นที่จะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆไม่เลิกดิ้นพอไม่เลิกดิ้นเนีย่ยใจจะไม่ถึงธรรมเพราะว่านิพพานเป็นความไม่ดิ้นรนนะเป็นวิสังขาหรือใจยังอยากอยู่ยังหิวอยู่อยากได้อารมณ์อยู่จะไม่ได้เลยไม่เห็นนิพพานมินิพพานเป็นความไม่อยากเป็นวิราระค์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 ร่างกายมีหน้าที่ขยับไปยื่นเคลื่อนไวหวหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารจับถายอะไรนี่หน้าที่ของร่างกายเวทนามีหน้าที่สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างสังขารมีหน้าที่ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างไอ้ก็ทํางานไปกิตก็เกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจอย่าแทรกแซงเขาเราดูเขาไปเรื่อยดูไปจนเราเห็นความจริงเขาทํางานของเขาเองเขาไม่เกี่ยวกับเรา แต่ใจไม่ดิ้นรนแล้วตอนนี้ใจกวางใจก็ไม่ต้องดิ้นหาความสุขไม่ต้องดิ้นหนีความทุกข์อีกต่อไปแล้วใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่อยากไม่หิวโหวยนะี่จะเห็นนิพพานแต่ใดที่ใจยังอยากยังดิน้นยังหิวโหวยอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานทําไมมันดิน้นมันดิ้นเพราะว่ามันยังสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรานะยังไปยึดถือว่าเป็นเราอยู่ฉนั้นเฝ้ารู้ลงไปที่ของจริง เห็นกายเห็นใ จ, เ, นใจเขาทำงานของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทำของเขาเองวันหนึ่งปัญญาแจ้งมันทำเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกสอดถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปขันก็เป็นขันทำหน้าที่ของขันไปทำก็อยู่ส่วนทำจริงแล้วไม่ยากอะไรนะไม่เป็นไปไม่ได้นะนทิพย์คือเราไม่ได้ปฏิบัติโดยมุ่งหวังว่าจะต้องมีสติตลอดเวลา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 หรือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยไม่เคยมีสติมีก็สติธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติที่จะรู้กายรู้ใจมีแค่สติที่รู้อารมณ์ฝ่กุศลที่เป็นบัญญัติเท่านั้นหรืออย่างเก่งที่สุดเพ่งกายเพ่งใจสติเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะนั่ะมีสติอยู่แค่นั้นส่วนสติรู้กายรู้ใจไม่มีไม่ค่อยมีน้อยเต็มทีนั้นคนทั้งหลายไม่ได้ทํำมิปัสฐนา คนทั้งหลายหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาตนอนหลับไปก็ฝันนะตื่นขึ้นมาก็คิดไปคิดก็คือฝันตอนตื่นนั่นแหละองค์ดูออกแล้วยังตอนฝันนะก็คือคิดเนาะแต่มันคิดแบบอ่อนๆมันคิดโดยตาธาลามันนะจิตมีชื่อเรียกนน <laughs> เราไม่ต้องรู้ชื่อมอนก็ได้มันไม่ได้อยู่ในชวนาจิตที่รู้ได้ชัด คิดอ่อนๆเนี่ยใจมันคิดทั้งวันทั้งคืนเมื่อปรับใจที่ใจไปอยู่ในความคิดเนี่ยก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะกายกับใจเป็นของจริงเป็นปรมัติตเมื่อไปรู้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่คนทั้งโลกเกิดมานะก็หลงไปเรื่อยๆนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะนี่หลงพ่อพูดอย่างนี้นะพูดใหม่ๆคนคอม็มนตนะ ว่าดูถูกเกลียดยามพวกรักความเป็นธรรมเกลียดการดูถูกเกลียดยามรักสายลงแสงแดดทนไม่ได้นะแต่พอค่อยๆฟังธรรมะไปจนสติเกิดแล้วจะรู้เลยหน้าใจหายที่ผ่านมาในชีวิตของเราไม่ได้รู้สึกตัวจริงเราหลงอยู่ในความฝันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนี้พอเรามีสติแวบขึ้นมาเรารู้เลยที่ผ่านมาหลงไปแล้ว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 จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้จิตรู้สึกตัวแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตที่หลงไปเป็นอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลทั้งกุศลแรกกุศลล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งกุศลแรกกุศลล้วนแต่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเวลาจิตมัเข้าใจนะมันเข้าใจทั้งกุศลแรกกุศลนะว่าเป็นใจรักเสมอกันไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งถ้าเราติดสมถะเราทำสมถะเราจะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่ง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 ลำใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นเราสักกายทิฏฐิจะไม่ขาดแต่ถ้าอะไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสิ่งอื่นทั้งหมดเลยจะไม่ใช่เราเพราะจิตนี่เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งตัวคนที่ไปรู้ยังไม่ใช่เราเลยสิ่งที่ถูกรู้มันจะเป็นเราได้อย่างไรจะไม่ใช่เราอัตโนมัติทันทีเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายองค์นะอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงปู่ดูลเลยเนี่ยสอนว่าการดูจิตเป็นวิธีที่รัดสั้น ไม่รัดสั้นก็กิเลสเกิดที่จิตนะมรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตผู้สอนอะผู้สอนอะไรอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยถ้าเราละความเห็นกิดว่าจิตเป็นเราได้เราก็จะละความเห็นกิดว่าขันทั้งหมดเป็นตัวเราได้จะละได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตได้จะปล่อยวางขันทั้งหมดได้เพราะถ้ายังหยิบฉวยจิตไว้ดวงเดียวเท่านั้นแหละจิตอันเดียวนี้แหละไปสร้างขันห้าอันใหม่ขึ้นมาได้อย่างลงสู่ภบอันใหม่ก็สร้างขันนั้นใหม่ขึ้นมาได้ แต่ถ้าเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราแล้วสลัดคืนจิตไปมันคือการทําลายเชื้อพันของการเกิดอีกมันจะไปงอกเป็นขันห้าขึ้นมาอีกไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เข้าถึงจิตถึงใจได้นะก็ เ, เรียนเข้ามาเลยถ้าเรียนไม่ได้เราก็เรียนผ่าน ม, มาทางกาย ร, รู้กายไปเช่นเรานั่งยืนเดินนั่งนอนนะสูงเรานั่งอยู่ก็ได้นั่งไปนานๆมันเมื่อยพอมันเมื่อยมันเริ่มเห็นจิตใจกระสับกระส่าย ดูไปดูไปความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเนีมันจะแยกแยกแยกในส่วนไม่เห็นจิตขึ้นมาจิตแรกก็รู้กายไปนั่งไปเรื่อยๆก็เห็นเวทนาความปวดความเมือ่อยพอมันปวดมเมื่อยเราก็เห็นจิตที่มีโทสะจิตตานุปัสสนาจริงๆไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆหรอกยังไม่ได้เห็นตัวจิตตรงๆหรอกแต่เห็นจิตที่ประกอบด้วยกุสลและอัคคุสลนยังเกือด้วยเจตสิก นี้ถ้าเราดูต่อไปอีกเราเห็นเลยจิตที่มีโทสะก็ยังแยกออกไปได้อีกนะโทสะก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี่แยกตัวสภาวะออกแล้วการที่เห็นตัวสภาวะกระจายตัวออกไปถึงขีดสุดได้เรียกว่าทำ ม, มานุปัสสนาเนั้นถ้าคนไหนยังดูไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ดูมาเป็นลําดับลําดับได้ดูที่กายก่อนอย่าให้เกินกายออกไปอย่างเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินไปใจเป็นคนดูไม่ใช่เดินจงกรมไปรู้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 เสร็จแล้วมาดูเวทนามาดูจิตที่เป็นกุศลน่กุศลแยกเอากุศลน่กุศ ล, ลนอกไปอีกเหลือจิตอันเดียวเกิดดับอยู่ทางทางวารทั้งหกเพราะฉะนัะ้นในธรรมานุปัสสนานั่นเป็นเริ่มที่อายตนะคือแยกออกมาเห็อยู่ในทาวารทั้ทงหกไม่ยากเลยนะไยากเลยสิ่งที่หลวงพ่อพูดพวกเรารู้สึกว่ามากมายไก่กองรู้ลงไ้ที่จิตอันเดียวแล้วจะรู้ทั้งหมดหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุล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 ท่านบอกอันนี้ไปหลงยุ่งกับอาการของจิตมันไม่ใช่จิตหรอกไกอ้ก้อนๆเสร็จแล้วท่านก็เทศจิตคือพุทธะให้ฟังจิตคือพุทธะใครเคยอ่านไหมจิตคือพุทธะจริงๆเป็นคำสอนของวงโปของท่านฮวงโปนี่หลวงพู ด, ดูลไปอ่านฉบับที่ท่านพุทธทาตแปลท่านพุท ธ, ธาตแปล ท่านอ่านแ้วท่านก็พบว่าเออภูโกเนี่ยถ่ายทอดสภาวธรรมได้เก่งแต่ถ่อสภาวธรรมเรื่องจิตหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเทียบได้เลยจิตหนึ่งถ้าพูดอย่างปริยัติหรือแบบเทรวาสเราเนะี่ยจิตของพระอรหันต์นะคือมหากูสระจิตบอกว่าไม่มีใครแจกแจงสภาวะของจิตหนึ่งได้เหมือนภโโูโก ท่านดูแล้วก็มันสอดคล้องกับที่ท่านรู้ที่ท่านท่านก็เลยยืมค่อยคำของฮวงโกมาใช้บางคนเลยว่าท่านละเมื่อลิขิ์นะแต่รู้สึกท่านอาจารย์พุทธทาสก็ไม่ได้ขออนุญาตฮวงโปนะแต่เป็นภาษาไทยแต่จริงๆก็ต้องยกย่องท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นคนไปเลือกแปลหนังสือเล่ม น, นี้กับหมอตันหมอเสียงหมอตันหมอเสียงช่วยท่านอ่านหนังสือที่ดีเล่ม ที่หลวงปู่ดูหนังท่านก็เลยจำตัดบางตอนมาท่านไม่ได้ท่องทั้งหมดนะท่านจำบางตอนท่านบอกบางตอนก็เยอะเกินเกินจำเป็นเอบางตอนมาสอนท่านสอนสอนสอนหลวงพ่อก็ฟังไปด้วยความงงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไปจนท่านเทศจบนะเสร็จแล้วถามท่านหลวงปู่ครับที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดนี้ผมพอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมต่อรองแล้วนะ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 เดี๋ยวจิตก็แสดงธรรมะเรื่องกุศลให้ฟังเดี๋ยวจิตก็แสดงธรรมะเรื่องอกุศลให้ฟังเดี๋ยวจิตก็แสดงธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลให้ฟังมันหมุนอยู่ทั้งวันเห็นไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเฉยเยไม่ดีไม่ร้ายหมุนอยู่นิ่งแต่ทั้งหมดที่เขาแสดงขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคือเรื่องใจรักษครับ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 เป็นอารมณ์ของสมถาใช้บัญญัติก็ได้เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัตินะเอเราดูท้องฟองท้องยุบแล้วเราก็ภาวนาไปนะฟองเนอยุบหนาะไปด้วยนะนี่เป็นอารมณ์บัญญัติและสมถะหรือสัมมาละหังนะมะพะทะอะไรเนี่ยหรือคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุพใช้ความคิดนะเอาแต่เป็นอารมณ์บัญญัตินั่อารมณ์บัญญัตินี้เอาไว้ทําสมถะ อย่างที่สองอารมณ์รูปนามถ้าเราเพ่งใส่รูปเช่นเราเห็นร่างกายเรานั่งอยู่เราเพ่งกายทัางกายเลยนะเราเพ่งไว้เพ่งนะแล้วเราจะขยับเยอ้เราจะรู้ทั้งวันเลยเหมือนกับไม่เคยเปลอเลยนี่เพ่งไว้นี่คือสมถะแต่ถ้าเราเห็นรูปนามอยู่แล้วเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม เออตัวนี้ไม่เที่ยงตัวนี้เป็นทุกตัวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอย่ทีนี้ถึงจะได้ว่าวิปัสสนามันรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่สมถารู้แล้วจับปล่อยไปต้องไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็เกิดการแปลกปลอมขึ้นแต่ทั้งนิพพานนะอารมณ์อย่างที่สามคือนิพพานนิพพานก็ใช้ทําสมถะในเวลาที่จะเข้าผลสมาบัติ อันนี้ของพาริยะนะไม่ใช่สมถะทั่วทั่วไปในเวลาที่จะเข้าฝนสมาบัติจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตยังไม่ชำนิชำนานในการรู้นิพพานเบื้องต้นพระริยะนั้นจะรู้รูปนามก่อนรู้รูปนามไปแล้วก็วางรูปนามแล้วจะเห็นนิพพานถ้าพาะริยะองใดชำนิชำนานในนิพพานทำปัจเจกขณะพิจรารณานิพพานเนืองเือง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 ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่คิดคิดฝันฝันขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปรนามกายกับใจนี่เองถ้าเราเรียนลงมาที่กายที่ใจจนละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันละลความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็เป็นพระราหัตเพราะฉน้นนิพพานเออรื่องอารมณ์นะเอ้ยไม่ใช่วออิปัสสนาในเรื่องอารมณ์แต่เลือกไปรู้รูปนามไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นนิพพานรู้รูปนามแล้วไม่ใช่แทรกแต่งรูปนาม ใช่เห็นว่าจิตมีอัปุศลหาทางละไม่ใช่นะรู้รูปนามตามที่เขาเป็นเช่นเห็นว่าจิตเป็นปุศลบ้างอับปุศลบ้างห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นใจรักเห็นใจรักนะอย่างนี้ใจก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกคลายออกในสุดวางวาง่าทันทีที่ใจมันวางความยึดถือขันขันตัวสุดท้ายที่ยึดถือไว้คือจิตนั่นเองจะยึดถือจิตที่สุดเลย วางยากที่สุดของอื่นวางง่ายเพราะเห็นว่าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตนี่เป็นคนรู้คนดูวางยากพอวางไปปุ๊บจะรู้ทันทีว่ามันหลุดพ้นละคือมันหลุดจะออกจากขันแล้วมันหลุดออกจากอาสวะที่ห่อพุ้มจิตละจิตไม่จะมีอาสวะห่อพุ้มจะรู้เลยว่าหลุดพ้นล้วชาติคือความเกิดสิ้นล้วชาติหมายถึงอะไรชาติหมายถึงการได้มาซึ่งรูปนามนั่นเองการได้มาซึ่งอายตนะ เพราะอะไรพระจิตไม่หยิบช่วยรูปนามขึ้นใหม่ชาติถึงสิน้นละพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์ก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยการศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจนปัญญาแจ้งละรู้ความจริงหมดแล้ววางได้ละพรหมจรรย์คือการศึกษาเสร็จลแล้วเพราะพระอราหันต์เท่านั้นที่เรียกว่าจบการศึกษาล้วเป็นอาศัขบุคคลไม่ต้องศึกษาละเรียกว่าจบพรหมจรรย์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 เติมน้ำหอมลงไปแมมกลายเป็นของดีขึ้นมาแนะ่ะวแก่กุศลนกุศลเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เติมลงไปเรียกว่าเจตสิกเต่ีย้อม ก, กันดับพร้อมกันรู้ว่าเรามันเดียวกันเช่นยมยมผู้ชายอัลโหก็แต่ก่อนเคยเป็นตำแหน่งใหญ่ในบริษัทเถือว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีคนคัดค้าน พอหลังจากปลดกรเสียนก็ามาอยู่กับภรรยามากขึ้นวันๆก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรกคัดค้านกันก็เจ็บอารมณ์บางทีก็เกิดความเครียดความเครียดมาตลอดที่หลังก็เลยเกิดโกรธง่ายพอเขาพูดอะไรไม่ถูกหูก็โกรธ ถ้าโกรธบางทีก็ทําให้หัวใจเล่าร้อนกลางคืนก็นอนไม่หลับนี่จะจะเรียนวนะ่าผมจะทํายังไงถึงจะคือโยมค่อยๆสังเกตไปนะอย่างอะไรที่เราเคยชินะเราจะทําได้เร็วขึ้นเรื่ อ, อ, อยๆใหญ่แต่เดิมเราไม่ค่อยโกรธพอเราโกรธแล้วเราโกรธบ่อยๆนะมันจะโกรธขีขึ้นขีขึ้นต่อไปอะไรนิดหนึ่งขัดใจนิดนึงเราก็โกรธ หลวงพ่อนะเป็นคนขี้โมโหนะตอนเป็นคนขี้โกรธโกรธเก่งงั้นคุณทันทิีเนี้ยโมโหตึงตังตึงตังเลยแต่แแเราวลาเราภาวนาเราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาค่อยดูความโกรธเวลามันโผลขึ้นมาพอความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเนี่ย น, นะใจของเราเร้าร้อนเราเห็นเลยคนแรกที่ทุกข์นะคือตัวเรานี้พอเรามีความทุกข์แล้วคนส่วนมากชอบระบายไปว่าว่าคนอื่นนะแล้วสบายใจเป็นวิธีผ่อนคลายความทุกข์ของเรา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 แต่ใช้เวลานะใช้เวลามันวางไม่ได้เออมันไม่ใช่แก้วนี่เนาะมันมันวางไม่ได้ส่งไปั้างหลังเลยเดี๋ยวโดนต่ว่าว่าเวียนอยู่แต่ข้างหน้า <c oughs> อ, อ, อ, อ่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดใส่ใหม่เลย ให้หลวงพ่อมีไม้หลายอันนะแต่ให้ใช้อันเดียวเดี๋ยวเกิดพูดปลอมๆกันตีกันเวลาเราสนทนากับผู้อื่นอยู่เวลาคุยคุยอยู่เราก็จะเห็นความขัดเคืองใจมันแวบขึ้นมาอืจิตมันจะไล่ทันสติสติจะไล่ทันจิตสติปุ๊บมันจะเห็นความโกรดนิดเดียวเนี่ยมันดับไปพร้อมกับที่จิตดับไปอถ้าเป็นอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามันจะเกิดดับเร็วนั่นแหละนะเนี่ยจิตกับใจจะซิกมันเกิดด้วยกันความโกรธม่เกิดร่วมกับจิตดวงนี้พอสติเกิดขึ้นปุ๊บจิตดวงที่เป็นอากรศณดวงที่โกรธมันดับ ทวามโปรดก็ดับไปด้วยแต่เราไม่ได้ทําอะไรมันจะเห็นออกมาเไม่ได้ทําสิถ้ายังทําอยู่ยังใช้ไม่ได้เราบางครั้งนรเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราไม่รู้ตัวครับแล้วเราก็จะเอ๊เราหลงหลงไปนานขนาดไหนเราจะบอกไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเราหลงรู้หรือเปล่าครับอย่างเนี้ยครับแต่นั้นหลงไปแหละนั่นคือหลงไปใช่ไหมครับไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกมันหลงไปมันหายไปนะช่วงนั้นบางคนบอกเนี่ยอากาลิโก้ไม่มีเวลาไม่ใช่นะแต่ก็ยัง มีความรู้สึกว่าบางครั้งพอเรารู้สึกตัวแว บ, บขึ้นมาเนี่ยหเหมือนเราตั้งใจมันจะมีเพ่งนิดๆติดอยู่ใน<อ>ใจเราตลอดแต่แล้วก็ว่าเคยชินที่จะปฏิบัติคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะพอหลงไปพอรู้ว่าหลงเนี่ยจะพอดีนี่พวกนักปฏิบัติเนี่ยพอหลงไปขนขณะนั้นเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าหลงเป็นกุศลอาจจากนั้นกลัวหลงก็จะเพ่งเอาไว้ดึงเอาไว้ตัวนี้ผิดอีกแล้วเราก็รู้แค่เพ่งเฉยไม่ต้องทำอะไรต่ออรู้ว่าเพ่งไปถ้ามันเพ่งนานๆล้วชักลำขาญมันก็รู้ว่าลาคาญ อยากให้หายหรือว่าอยากให้หายนับคุณหมอคมสันคุณหมอครับถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าเวลาสัมผัสกับโรคภายนอกครับมันเป็นช่วงที่สั้นมากเดี๋ยเวลาขับรถรู้เลยว่าประมาทมากเพราะว่ามองผ้าตรงหน้านี่มันช่วงแวบเดียวแล้วก็จะแปบแ๊ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไ ป, น ป, น ป, น ป, นปนหูฟังนี่ก็ฟังแค่แปบเดียวเหมือนกันออย่างฟังเทศหลวงพ่อก็จะฟังนั่นแหละฟั ง, ฟงไม่รู้เรื่องันมากครับฟังไม่รู้เรื่องเล ย, เ, ลยเรียกว่าบรรลุล้วประสบความสําเร็จในการฟังแล้ว <c oughs>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 เป็นเล็ก น, นิดเดียวครับนิดเดียวอย่างเวลาเรามองหน้าใครนะเขาก็มองนิดเดียวนะรู้สึกไหมมองเป็นจุดเล็กๆอะ่ะกว่าจะเต็มหน้านี้มองตั้งหลายรอบเนีลยอาศัยสัญญามาประมวลภาพของจิ๊กซอเนี้ยขึ้นมาหรือบางคนเสียงเงินแต่แงๆไปเที่ยวเมืองนอกนะโหถ้าสติไวๆจะรู้เลยขาดทุนตามองเห็นวับดับแล้ววับดับแล้ว <laughs> โง่ขาดทุนมากเลย หรือไปกินข้าวร้านอาหารที่มีนักร้องนะสมัยโบราณเดียวนี้ไม่รู้มีแบบสมัยก่อนแนละ้วมีนักร้องสวยๆด้วยนะมัวแต่ดูความสวยก็ไม่ได้ยินก็ร้องแล้วก็กินข้าวไปด้วยก็ไม่รู้รสเนี่ยขาดทุนยับเยินเลยเหมือ mm hmm. ถ้าจะเสียเงินไปดู mm hmm. ก็ดูรูปเดียวเลยดูก็ไปจะกินก็กินให้มันอร่อยไปเลยถ้าจริงจริงจงิตสัมผัสโลกได้นิดเดียวหลวงพ่อเคยรู้สึกอนเนจอนาถมากเลยไอ้พวกที่อยากอยญ่อยา ก, ยากตัว มันอยากเป็นนายกมันอยากเป็นเจ้าโลกมันจะเป็นได้ไงมันสัมผัสโลกได้นิดเดียวสัมผัสโลกได้ตี๊เดียวนะมองก็มองได้ปิ๊ดเดียวโง่แท้ๆอยากจะครองโลกทั้งโลกอย่าเงี้ยหรือคองทั้งประเทศจริงมันครองได้ที่ไหนมันสัมผัสได้แวบโวเหนื่อยแทบตายนะครองแวบดูทีลกักษณะจิตไม่เอาแล้วนะรู้สึกหายโง่ถ้าคุณ แถม เ, เส่อตารู้วยตามดูค่ะดีแล้วคุณแถม ด, ดีดาวใช้ได้แต่ดาวลงนิดนึงคุณแต่รู้สึกว่าปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนใช่เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังนะเดี๋ยวอยากรู้เรื่องก็ไปคิดอยากโน่อนอยากนี้อยากมีหกอันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสรสสัมผัสธรรมารมณ์นั่นเอง ตัณหาเนี่ยเวลาเราเรียนภาคปริยัตมีตัณหาสามแบบสามอย่างกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามาตัณหาเนี่ยอยากได้อารมณ์ภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้อารมณ์นั้นถาวรวิภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้อารมณ์นั้นขาดสูญไปอีกความอยากสามแบบแต่ในขั้นของการปฏิบัติเราเห็นตัณหาหกแบบ อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอยากได้ธรรมารมเนี่ยตัวหกตัวนี้จะหมุนจีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวนี้ได้คุณแต้มดูตัวนี้ไปเลยจิตมีสองชนิดเท่านั้นคือจิตที่มีตัณหากับจิตไม่มีตัณหาเหลือสองชนิดหนึ่งดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เวลาเราทำกรรมฐานเราไม่ได้ทำเยอะถ้าเราเห็นว่าจิตมีสองชนิดคือจิตมีตัณหาก่ไม่มีตัณหานี่ครอบคลุมจิตทุกชนิดลว จิตมีโลภะแต่จิตไม่มีโลภะนั่นเองหรือคนไหนใจลอยคิดแอบไปคิดบ่อยๆเนี่ยให้รู้ทันจิตที่มีโมหะจิตหลงไปคิดจิตมีสองชนิดหนึ่งจิตที่เผลอไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวมีสองชนิดเพะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนนิดเดียวเป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างถ้าเข้าใจสองตัวที่เราเรียนแล้วเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดเราเห็นจิตสองชนิด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 เหมือนอย่างนักวิทยาศาสตร์สมมติว่าเรียนเรื่องอะตอมเห็นการทํางานการเคลื่อนไหวภายในอะตอมไหมกับจักรวาลเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันหน่วยย่อยหรือหน่วยใหญ่ก็แคอ่อย่างอย่างพุทโธตื่นนอนมาเนี่ยอยากสีฟันเนี่ยนี่ก็คือความอยากเออเราอยากสีฟันเราก็รู้แล้วเราก็ไปสีฟั น, บบนตามรู้แต่ว่าต้องสี <c oughs> คือตามดูกายต่อใช่ไหมคะต้องรู้ทันใจกันบางคนโรคจิตนะสีมันทั้งวันนะอ่ะเออย่างนี้เราก็รู้ทันนะมันเกิดแนละ้วเกิดจําเป็นแนละ้ยิ่งพวกหมอนะหมอบางคนเป็นนะไม่รู้หมอนี่เป็นป่าหมอล้างมือทั้งวันเลยล้างอยู่นั่นแหละล้างจนเป็นโรคจิตอนะ่ะนี่เราก็รู้ทันนะความอยากอันเนี้เกิดขึ้นมารู้ทันความอยากดับไปเหลือเหตุผลแล้วสมคนรทาก็ทํา เบอร์สี่หลวงพ่อขอบคุณนะเมื่อวานช่วยพาคนงานที่วัดไปหาหม อ, อเตียโดนไม้ไผ่แทงเอาแต่เล็กนิดเดียววติดเชื้อไม่บอกนะเป็นมาสิบวันเมื่อวานนี้อูบ้าเห็นเอ๊ะมันเดินค้ากรักฟิกกรบเบิกแล้วมันลามขึ้นมาต่บน้ําเหลืองเลยดีไม่ตายนะไม่เห็นในวันนั้นเนี่ยตายไ ด, ได้ได้คุณเบอร์สีเนี่ยพาไปหาหม อ, อ แมนไม่เน่ามันยังไม่เน่านะแต่ถ้าเชื้อมันลามไปทั้งตัวสุดท้า ย, ยตัวจะเน่าต้อไปถึงไหนแล้วเน่ามันมีดา่าก็ยังเผลอคิดวันนี้ทั้เรียนอยู่แต่ทั้งหน้านะไปไม่ถึงท้างหลังนะว่าไงคก็มีเผลอคิดนะแต่คิดเผลอคิดเป็นธรรมดาแล้วแล้วก็วกเผลอกับรู้ว่าไม่ไม่เผลอแล้วก็สองอารมณ์เห็นชัดขึ้นดีแล้วนอฝึกแค่นี้ก็พอแล้ว และสงไปสไปที่หลวงพ่อเคยสอนว่าขณะที่เราตามรู้เนี่ยถ้าเรารู้ก็คืออารมณ์มันจะเบาโปร่งสบายคือ <Okay. S 2> ถ้ารู้ก็คือ mm hmm. จะรู้สึกปล่อยเบาอ <Okay. S 2> สบายแต่คือเท่าที่ฝึก ด, ดูเนี่เหมือนกับว่าเราจะรู้สึกเบาสบายต่อเมื่อเราไปรู้อารมณ์ที่เราเพ่งอยู่หรือเครียดอยู่หรือหนักอยู่แต่ถ้าเราไปรู้อารมณ์ที่เราเป็นสุขอยู่เนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรจะเฉย แล้วก็เมื่อวานเนี้ยพอดีไปที่กรมขนส่งทางบกอะค่ะก็โกหกหนมากที่นั่นก็ขยามตามดูตามดูเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเข้ามาเยอะอะค่ะจนจนรู้สึกว่ารับไม่ไหวก็เลยกำหนดลมหายใจก็รู้สึกดีขึ้นก็ดีแล้วเจ้าฉลาดนะตอนไหนสู้ไม่ไหวก็ทาสมถะนะตอนไหนสู้ได้รู้จิตได้รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กาย ร่างกายก็ไม่ไหวทำสมถธิแต่ก่อนหลวงพ่อเข้าไปบางที่ก็เมาหมัดนะโดยเฉพาะที่วัยรุ่นเยอะๆศูนย์การช้าบางแห่งเระเข้าไม่ได้เวียนหัวเด็กเยอะปล่อยพลังงานความหลงอย่างรุนแรงออกม า, าเราเดิน้าไมเออเดินแล้วเมาเรียกเมาค ล, ล, ล, ลืดน <c oughs> ก็ดีอย่างนะทำให้ไม่ไป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 รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามนะไม่ว่ามด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธใจแอบไปคิดแวบบรู้ทันพุโทโธพุโทโธใจสงบรู้ทันพุโทโธแล้วใจพุ้งซ่ารู้ทันหัดพุดโทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปมันต้องมีงานอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ไว้ก่อนนะต่อไปสติมันจะเกิดเองการที่เราพุโทโธแล้วเราก็หัดรู้สภาวะเนี่ยจิตมันจะจําสภาวะได้พอจิตจําสภาวะได้แล้วต่อไปสติจะเกิดเอง ไม่ใช่สั่งให้มันไม่ให้เผลออะไรเงี้ยห้ามไม่ได้คือตอนเริ่มต้นนี่ใช้ความจงใจก่อนใช่ไหมเริ่มต้ปฏิบัตินี่จงใจไปก่อนนะแต่จงใจที่แนะนํานะบริกรรมอะบริกรรมเนี้ยมันไม่มีที่จะเพง่งถ้าไปรู้ลมหายใจแนละ้วก็ชอบเพ่งลมหายใจรู้ท้องไปเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้าเพ่งแล้วเครียดเครียดมากๆเกีลยต้องมานั่งแก้ทีหลังขอบคุณครับนะ อตอนนี้ก็ตามดูอยู่นะครับแต่ว่ามีฟุ้งบามีโมหะครัมันฟุ้งแล้วดูอบกไหมได้ครับใช้ได้ดีละเมื่อสี่เมื่อสี่มาหนึ่งลงอยู่สองคนครับรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อเช้านี้ดีกว่าแต่แย่กว่าเมื่อวานถูกต้องแล้วมันมันฟุ้งกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งมีโมหะนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็อย่าเกลียดมันค่ะ ต้องมีรู้สึกว่าเหมือนรู้ความจริงว่าเราหลงมากขนาดนั้นเลยเหรออะอย่ี้ยหลงมากใช่ไหมเออหลงในโลกหลวงพ่อถึงบอกว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกไม่มีแต่คนหลงนะแล้วมันน่าสงสารตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ฟังพระอาจารย์พูดก็ไม่ได้ไม่เข้าใจว่าหลงขนาดมันต้องเห็นเองในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเลยโลกถึงขาดแคลนสริยะนะ ถอาจารย์ใดยังมีคนเจริญสติปัฏฐานท่านบอกโลกไม่ว่างจากลา่ารหัสสติปัฏฐานหมายถึงมีสติรู้กายรู้ใจถ้าสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานนะอะคุณหม อ, อะมีสองคำถามคนะ่ะพอาจารย์ก็คือเ อ, อมีอยู่ครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่าเวลาเราคิดแล้วเราเห็นความคิดนมะ่มันจะอยู่แถวแถวแถวแถวหัวเราอื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 หรือถ้าเร็วกว่า น, นั้นก็คือเราได้ยินที่หูแต่ความกดมันจะไม่เกิดไหมคะอย่าไปตรึงนะหลายคนพลาดตรงนี้นไปสังเกตที่หูรู้ว่าหูเนี่ยเป็นช่องทางนะไปจ้องไว้ที่หูเพระนั้นทำกรรมฐานผิดแล้วมันเป็นการสกัดกั้นไม่ให้วิถีจิตนี้ทำงานยกเว้นว่ามันสักว่ารู้ของมันเองใช่ไหมถ้ามันรู้เองใช้ได้หลายคนทากรรมฐานแล้วไปดักอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย จ้องเอาไว้คอยไว้เพราะซาบูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยไม่กระเทือนเข้ามาที่ใจก็คิดว่าใจเราเป็นกลางตลอดนี่ชรอยจะเป็นพ ร, าารนะอรหันนะหันซ้ายหันขวานะหันไปดูที่ตาบ้างหันไปดูที่หูบ้างเห็นนั้นเรียกพระอรหันซ้ายหันขวาอย่างนี้เกิดเกิดใหม่แน่ใช่ไหมคะ <laughs> เกิดแน่นอนเกิดแ <laughs> น่นอนนะมีอีกคําถามนึงค่ะคือว่าสามีเขาฝากมาถามพระอาจารย์ค่ะ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 แต่ที่ท่านห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มีชีวิตนะเพราะพวกแขกมันถือว่ามันมีวิญญาณหรือห้ามพักขุดดินห้ามพากุ ด, ดินเพราะแม่ธรณีอยู่เดี๋ยวไปเอาเสียมไปทิ้มแม่ธรณีก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่บัญญัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมค ะ, ะนะห้ามพักขุดดินนี่ไม่ใช่บัญญัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่ออนุโลมตามโลก อ๋อเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อินเดียก็ต้องอทําตามเนะจ้าของบ้านมันอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะทำไมชอบนั่งสมาธิเพราะท่านเกิดในอินเดียถ้าท่านเกิดยุโรปนะเราจะเห็นพระพุทธรูปนั่งเก้าอี้เ อ, เอไม่แน่ใจว่าท่านจะไหวไหมถูกข้อครับบางทีรสึกว่าเราตามรู้ตามดูแล้วเหมือนกับมันมีปีติเกิด ออได้ด้วยนะครับแต่เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ปิติหรอกมันเป็นโสมนัสโสมนัสเวทนามันเกิดพอเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆแล้วตะไปพสติเกิดเองนะอยู่เฉยๆมีความสุขแผ่วขึ้นมามีความสุขแผ่วๆขึ้ยมันเพราะจิตมันเป็นกุศลจิต ท, ที่มีสติเนะ่ะเป็นจิต ท, ที่มีกุศลจิต ท, ที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาสองอย่างมีโสมนัสกับอุเบกขา จะไม่มีโทมานัสเวทนาไม่เศร้าใจไม่เศร้าหมองไม่เป็นทุกข์ไม่เครียดไม่มีโทสะขอบคุณมากครับเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมนะให้ความสุขตลอดสายของการปฏิบัตินะเบื้องต้นเลยฝึกไปฟังหลวงพ่อพูดไปจนสติเกิดแล้วจะมาพูดให้หลวงพ่อฟังได้เลยอยู่เฉยเฉยมันมีความสุขอยู่เฉยเมีความสุขโชยแถวบขึ้นมาได้เรามีสติจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุข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 หลุดพ้นมีความสุขที่สุดเหล่านี้ยมีความสุขตลอดวันตลอดคืนเพราะฉการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจจะมีแต่ความสุขแนละ้วตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดเลยแต่ในขณะเดียว ก, กันปัญญาเขาอย่างรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ปัญญาอย่างน้อยก็เห็นว่าขันห้านี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพอปัญญาแก่กล้าก็จะเห็นว่าขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นบางคนบอกปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์อย่างนี้นก็ถูกต้อง เขาเห็นขันห้านี่ขันห่านี้ทุกนวลๆเลยนะถึงจุดสุดท้ายก็ปล่อยวางขันห้ามันทุกข์สุดขีดแล้วปล่อยวางขันห้าไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อให้ขันห้าไม่เป็นทุกข์นะขันห่ายังไงก็ต้องเป็นทุกข์แต่ว่าพอปัญญามันแจ้งมันวางวางแล้วมันก็พ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันห้านั่นเองจิตมันพลากออกจากขันจิตสําร้อกออกจากขันเนี่ยพระไตรีิดกใช้คําอย่างนี้ก็มี ตามดูความคิดไปครับแล้วก็จงใจนิดนึงนะครับดูบอกไหมมันรู้สึกดูไม่ออกครับช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับอะไรนะจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับจิตจิตมันมัวมัวดูออกไหมมันไม่ใสทีเดียวครับดูออกไหมไม่ต้องทําเอาใจหลงก้อนนะดูไม่ค่อยออกครับเออน้าสารภาพมาอย่างนี้ยนะทับทับแล้วก็ไม่เห็นสะานฟ้าใช้ไม่ได้นะ่วาผมดูใจลอยไปอีกแล้วทราบไหม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 เพราะงั้นอย่างเราบอกว่าเราทํากรรมฐานทํำมิปัฒนาโดยการรู้ว่าคิดอะไรคิดอะไรเพราะนั้นหมามันก็คิดมันก็รู้นะอหมาแมวมันก็คิดมันก็รู้ว่ามันคิดอะไรไม่แปลกไม่อัศจรรย์แต่ถ้าใจของเราไหลไปคิดแวบบเราเห็นว่าไหลไปคิดอย่างนี้สิอัศจรรย์เ น, <Okay. S 1> นี่ยตอนเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมที่นี่หัดอย่างเนี้ยใจไหลแวบแบต่ ใ, ให้รู้ทัน <Okay. S 1> ถ้าส่งต่อไปแตถึงไม่ชีไม่วันเนี้ย ตื่นเต้นค่ะพ่อแล้วประโยคนี้ได้ยินทุกวันนึกว่าวันนี้จะไม่มีใครพูดเห็นเห็นว่ามันแบบตอนกไม่มาถึงน้องเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงไปแล้วพอมาถึงตรงนี้ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะไม่เต้อห้ามมันแต่เก็บไม่ห้ามมันไม่ได้ค่ะเห็นว่าไม่ห้ามนะเอาแม่ชีแม่ชีแบบนรัสกาช่ะค่ะ เดินที่แล้วค่ะไปที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตค่ะพระอาจารย์แล้วมีความไู้สึกว่าจิตใจมันร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เปิดบางและสภาวะที่เห็นก็คือว่ามันจะเห็นสภาวะใจมันรู้สึกเฉยเฉยและกายมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าอะไรย่างเงี้ยค่ะมันมันจะแยกกายกับจิตให้เราดูให้เห็นความไม่เที่ยงอะไรย่างเงี้ยเออดีแล้ ว, ด, ลวดีเข้าใจเรื่องที่อยู่นะ แล้ววันพุ่นี้จะเดินทางไปที่วัดป่าสกโตโตของหลวงพ่อคําเขียนเจ้า่ะเออนะหลวงพ่อคำเขียออนะ่พนะระแท้ๆเลยนะพระแท้ๆพระดีๆอายากนะลระที่พูดแต่เรื่องสติไปเยี่ยมท่านนะท่านเล่าผมเนี่ยท่านไปเทศที่สวนลุมนะคนไปว่าท่านทําไมเทศแต่เรื่องสติทําไมไม่สอนเรื่องศีลต้องต้องอสือศีลก่อนสิท่านถึงจะเลาะนะท่านบอกว่ า, ว า, า, ก, วาก็ถูกของเข้าเหมือนกัน แต่เราก็ถูกอย่างของเราคือถ้ามีสติมันก็มีศีลมีสติมันก็มีสมาธิมีปัญญามีสติมันก็ละอกุศลมีสติมันก็เจริญกุศลดีแล้วไม่ฉีที่ดาเนินจิตอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วนะอย่าไปทําอะไรเพี้ยนเพียนขึ้นนะเอพราะฉะนั้นอยู่ที่นั่นได้อยู่ไปเลยภาวนาอย่างนั้นดีนนหลวงพ่อไผ่สารท่านก็ดีนะเมตตาสูงมีอะไรติดขัดก็ถามหลวงพ่อกําเขียงไม่มีพลาด อสามคนนี้หลงอยู่แถวบิ๊กอะ่ะบิ๊กโบอะไรพวกนี้ส่งกันบ้านเนี่ยแล้วจะส่งเปล่าส่งแล้เอาหม่แบบพูดอยู่ไหนล่ะเอาไปนู้นนู้นเหรอไปเร็วพิ๊กขอเลื่อนการส่งกันบ้านได้ไหมครับเออไปแล้วไปส่งกับแพทย์สีอานเลื่อกเป็นนานแค่ไหนอะ่ะ ช่งที่ผ่านมาจิตใจมันเฉยๆครับเออย่าทิ้งข้อวัดไะแต่พอต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมไม่ทิ้งข้อวัดนะแต่พอมันเฉยได้ที่ปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเฉยไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเฉยจนเต็มที่แล้วก็เออดียู่ไม่ได้แล้วนะพอก็อย่างที่มาอยู่กับหลวงพ่อค่ะกลับไปก็รู้สึกว่าขยันมากขึ้นนะคะแต่ว่างานก็เยอะ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 จิตเป็นไงก็รู้ทันสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมด น, นะต่อไปต่อไปหลงนานนะคะเออหลงนานไม่ดีนะแล้วก็พยายามที่จะมาทำพุทธโธค่ะก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทำไมอ่ะทำไมพุทธโธไม่ได้เรื่องมันไม่อยู่กับคือมันจะแบบว่าเดี๋ยวก็แวะไปคิดอย่างนี้ค่ะไอ้นั่นแหละดี ให้พุทโธกเพื่อจะได้ให้รู้ว่ามันแว บ, บไปคิดแต่มันเหมือนนั่นมันคิดนานไปหน่อยอะค่ะเรอนานไปหน่อยคาว่านานไปหน่อยเนี่ยแสดงว่าอยากให้สั้นกว่านี้ถ้าเมื่อไหร่จิตมันจําสภาวะที่หลงไปคิดได้นะว่ามันไหลแวบบมันจะรู้สึกเองจะสั้นก็ฝึกไปนะอย่าอย่าถอยนะต้องตายถ้าส่งไมไปคืนทางโน้นก็กริบก้าแอบยุดไปได้แล้วท <c oughs> ังนี้ไปแย่งมาอีกเออเขียวว่าไง เก็คือผมตอนนี้ผมจำอารมณ์ไม่ค่อยได้อะครับมันเหมนกับว่าเท่าที่อ่านมาก็คือความจําอารมณ์ได้เป็นเหตุ ใ, ให้สติเกิดทีนี้ผมก็แบบเวลารู้ไปก็แบบมันรู้ใหม่แต่ว่าแบบมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆว่าเราจําอารมณ์เราไม่ได้อย่างเวลาเราเกิดมันจำไม่ได้สติไม่เกิดนี่ทำไมถึงจะจําได้ต้องเห็นบ่อยๆนะถ้าเห็นบ่อยถึงจะจําได้เหมือนเราเห็นพ่อเราบ่อยๆเนี้ยพ่อมาจําได้ วิธีที่จะเห็นปล่อยนะก็ต้องทํารูปแบบขึ้นมาอันหนึ่งก่อนจะพุโทโธก็ได้จะหายใจอะไรก็ได้นะมีกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็คอยดูสภาวะของใจเช่นพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดแล้วก็รู้อะไรเงี้ยพุโทโธแล้วใจนิ่งนิ่งก็รู้ใจเครดเคดก็รู้พุทโธแล้วฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วใจเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆต้องหัดซ้อมนะซ้อมดูสภาวะทุกวันทุกวันแล้วสติจะเกิดไว เหมือนนักมวยนะเป็นแชมป์โลกก็ยังต้องซ้อมชกนะถ้าไม่ซ้อมโชกเวลาชกจริงง้างหมัดอยู่นั่นชกไม่ออกสตินี่ก็เหมือนกันต้องซ้อมอย่าทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติจำเป็นทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พราสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีต้องทำนะห้านาทีก็พอก็ยังดีเช่นห้านาทีนี้นั่ง<ม>เห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อย นั่งดูร่างกายนี้หายใจไปเห็นมันหายใจเข้าเห็นมันหายใจออกดูไปสักพักหนึ่งใจลอยไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจลอยดูไปอีกดูไปอีกมัน ไ, ไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ว่าไปเพ่งลมหายใจดูไปเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นการทํางานของจิตใจเราไปเรื่อยในสุดมันจะแม่นจําแม่นแล้วต่อสภาวะเกิดนะั้นสติจะเกิดเองถ้าเราไม่มีการฝึกซ้อมเราจิ้งรูปแบบของการปฏิบัติไปเลยในขั้นเบื้องต้นนี้ทําไม่ค่อยไหว ถ้ไปถึงเลยรับเชิญเออการตามรู้สติให้มันเร็วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้ตอนที่มันดับไปแล้วเนี่ยอถูกต้องแล้ะแล้วมันจะอย่างนี้จะถูกซ้อมไหมครับถูกต้องแล้วพราะเกิดเนี่ยกระดับนี่มันมารู้มันก็ทั้งเกิดทั้งดับพร้อกันไปแล้วเอมันจะไปรู้ได้ตอนที่อัคคุสลดับไปแล้วเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยมันไม่เกิดร่วมกับอัคคุสลในขณะที่ใจลอยเนี่ยมันจะรู้ว่าใจลอยไม่ได้ ก็มันไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็ไม่ใจลอยเพราะฉะนั้นการดูจิตนี่เป็นการตามดูแต่ต้องตามแบบติดติดไปเรื่อยนะตามแบบกระชั้นติดไปอ้าวคุณธีตินาถนะนัทลุงเวียนกรรมไปถึงแล้วส่งกันบ้านอะไม่ส่งกันบ้านเหรออส่งมาก่อนส่งมาก่อน วันนี้มันตลาดประหลาดนะคะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยแล้วสิธ์มันตั้งตั้งออกมาเกินแล้วก็ออมันเหมือนร่างกายไม่ใช่เราตลอดเวลาแต่ว่าใจมันเคลื่อนออกไปข้างหน้านิดนึงแล้วมันไปแตะไว้เหมือนมันจะพักพักอ่ะอให้มันพักไปนะไม่ฝืนนะถ้าฝืนแล้วจะปวดหัวอใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงั้นคือโตล่อเป็นไงติดเชิมอยู่ครับอไม่ได้ทํากันบ้านมาส่งครับ อ, อ้าวเหรอแต่ไม่ได้เว้นวักครับจะรอเปิดเทอมแล้วค่อลอกกันบ้านเนอะเราบิดเทิมไม่ทำกันบ้านไม่ได้เว้นวักครับแต่ไม่ได้ทำกันบ้านเออทำได้ยังไงช่วยแนะนําบ้าง เ, เวลาภาวนานะาสติมันเกิดเรียงนะมันไม่รู้จบเรียงยังไงแต่ว่าที่ทําอยู่ตอนนี้พอใช้ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรสติมันก็เกิดเอรอยู่หรอกใช้ได้อยู่เอ า, อาจารย์ ดีแล้วนะโไม่ใช่ไม่ดีจุมขออนุญาตที่หนึ่งครับตรงที่ว่าพระอาจารย์จะแนะนำให้ทําสมถะครับเมื่อวานนี้ได้ลองไปเจริญดู อ, อยากจะเรียนให้หลวงพ่อได้ทราบว่าทาอย่างนี้เนี่ยถูกไหมครับ<ม>คือว่าถ้าไล่มาจากองค์ต้นๆเนี่ยดูเหมือนผว่าทาให้เป็นคือว่าเริ่มต้นจากตรงจิตที่เราเคยระลึกรู้แล้วมันว่างตรงนี้พอสังเกตตรงนี้จะพบว่า มันมีอารมณ์เฉยๆตรงนั้นอยู่เราสังเกตอารมณ์ที่เฉยๆแต่แล้วแต่เราหน่วงความความหน่วงอารมณ์อันนั้นเข้าไว้เราจะพบว่าตรงนั้นน่ะถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีอาการที่แบบว่ามีความสุขอยู่ด้วยเราก็เราก็คล้ายๆสังเกตสุขให้ตัวนั้นให้เด่นขึ้นมาพอเราสังเกตสุขตัวนั้นเด่นขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าองค์สุขนั้นเอ่ออิ่มขึ้นมาแทน <Yeah. S 1> ครับ และหลังจากนั้นที่เราเฝ้าสังเกตองค์สุขตัวนั้นเราก็จะเห็นว่าในนั้นก็มีปิติอยู่ด้วยมีความสู้ราบหรือบางทีเป็นความเบาสบายเราสังเกตตัวนี้หน่วงอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาก็จะพบว่าองค์ปิติถ้าเป็นสู้ราบก็จะขึ้นหัวขึ้นมาขึ้นเนือขึ้นตัวเต็มเลยเมื่อเราอยู่ที่องค์ปิติตรงนี้เราพบว่าในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถมีความคล่องตัวที่จะ จะคิดนนท์คิดนี่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าจิตมันก็มาอีกอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นแล้วอถ้าเราหน่วงไอ้ความปิติหรือความเบาสบายตัวนั้นเข้าไว้เราก็จะสังเกตเห็นสุขตัวนั้นมีอยู่ด้วยเช่นกันเราก็หน่วงเอาสุขนั้นขึ้นมาเราจะพบว่าไอ้ตัวปิตินั้นหายไปมีองค์สุขนั้นขึ้นมาแทนในองค์สุขตัวนั้นพอเราหน่วงความสุขนั้นเข้าไว้เราจะพบว่า ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆแต่ว่าจิตมันดําเนินเองอยู่แต่ว่าในขณะนั้นมันมีความนิ่งความเบาสบายเมื่อเมื่อเราสัเกตความนิ่งความเบาสบายเราก็ไอความสุขตัวนั้นมันหายไปกลับกลายเป็นเป็นว่างเป็นนิ่งมาแทนตรงนี้และหลังจากนี้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยหลวงพ่อคว่าเออเราคล้ายๆเหมือนเราลงไปแล้วเราขึ้นมาแล้วเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นมาลงไปแล้วทีนี้เรามาอยู่ตรงที่ปกติที่เราเคยทําก็คือว่า เราก็ตามรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นรู้ ร, รู้เผรู้อะไรไปเหมือนเดิมอยากทราบว่าไอ้ตรงที่ไอ้ที่ไ ล, คไล่ความสุข<ล>ตรงนั้นตรงนี้เลยก็ถูกแล้วถูกแล้วล่ะถือว่าเป็นสมถะเป็นสม ถ, สมถนะะคือเวลาดูจิตเนี่ยมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะอันแรกเลเรื่องอากาสา น, นใจยตนาจิตแต่ที่สองเรื่องอากินจัญญา ย, ยตนาจิตก็ไม่มีอะไรกับจิตที่ว่างแล้วเราดูในความว่าง ก็จะมีปีติมีสุขนะก็มีปีติเกิดขึ้นสติระลึกรู้ปีติดับไปเกิดความสุขสติระลึกรู้ความสุ ข, ค ว, สขความสุขก็ดับไปเกิเดเบีกขาตั้งมั่นก็ดูอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวสําคัญก็คือเมื่อออกมาอยู่กับโลกภายนอกแล้วอย่าอย่าหลงทั้งความรู้สึกภายใไนไว้อาจารย์ยังตื่นความรู้สึกอยู่นิดนึงรู้สึกไหมใช่ครับเออตัวนี้แมวนะเดี๋ยวจะติดให้รู้ทัน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 ได้ดูได้ได้ภายในภายนอกนะใช้ได้แค่นั้นเนละแต่ทั่งเห็นผีสังนางไม้มากก็ได้แล้วอาจารย์ไปเจอผีตะเคียนที่ไหนอะ่ะวัดโค้งเนี่ยหรวัดไหนนะ อ, อ๋อหนองเลงนะเ อ, อ๋ออยู่วัดห น, นองเลงหนองเลงก็ดีนะท่้นใจดี <c oughs> ใครไปภาวนานะคนไปภาวนาพระ หรือโยมอะไรเี้ยถ้าสนใจภาวนาจริงๆมาเรียนที่นี่นะไม่มีที่พักเนะ่ไปขอพักที่ท่านได้แต่ท่านก็ไม่ได้รับทุกคนนะวันไหนบางทีท่านก็ไม่รับพระบางองค์ไว้ก็มีถ้าทางไม่เรียบร้อยทนะ่านก็ไม่รับไปถ้าสนใจการปฏิบัติจริงๆนะมุ่งปฏิบัติจริงๆไม่ไปก่อเรื่องอนะไรเงี้ยท่านก็ให้อยู่นะเขกว่าปฏิบัติมาเ็แวันนะครับก็ยังเผลออยู่เรื่อย โยมไม่ห้ามเผลอนะแต่เผลอเรารู้ไวๆหน่อยไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะอยังไงก็ต้องเผลย อ, ย, อยังรู้ชาอยู่ใช่ไหมครับอะไรนะยังรู้ชาอยู่ใช่ไหมครับใหม่ๆเนี่ยเรายัางจําสภาวะได้น้อยแล้วก็สติเกิดน้อยแต่ไปจิตมันจําสภาวะได้เยอะจําได้แม่นจําได้มากสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันอยู่ที่ชั่วโมงของการฝึกของเรา หยบค่อยรู้ค่อยดูเท่าที่ดูได้ต้องสบายนะดูไปอย่างสบายสบายอย่ารีบร้อนการปฏิบัติถ้ารีบร้อนเมื่อไหร่นะยิ่งเสียหายให้ดูเล่นๆดูไปเรื่อยๆดูเท่าที่ดูได้รู้บ้างเสือบ้างรู้บ้างเสอบ้างไปถ้าใจเรามีฉันทะคือมีความพึงพอใจที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองสติมันจะค่อยมากขึ้นเองมันจะขยันดูพอมีฉันทะคือมันสนใจที่จะดูนะวิริยะ ความภาคเพียรความขยันดูมันจะเกิดพอเราขยันดูจิตใจเราจะตั้งมั่นจดจ่อในการรู้ในการดูไม่หนีวอกแวกไปที่อื่นหรอกเนี่ยจิตตะมันเกิดขึ้นวันวันหนึน่งใจเราก็ไม่ไปคิดอะไรฟุ้งซ่านที่อื่นนะคิดสนใจแต่เรื่องกายกับใจของตัวเองเ้าเคลียอยู่กับการศึกษาธรรมะที่คือวิมังสารอใจเราไฟศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจดูกายดูใจมากเข้ามากเข้าปัญญ า, า, า, ามันเกิดมันเกิดความเข้าใจปัญญาคือความเข้าใจ จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเอามันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอก ม, มันจะปล่อยวางมิมุตจะเกิดขึ้นมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจจิตใจเราก็จะเป็นอิสระมีความสุขล้วนเลยกราวนี้ทั้งวันทั้งคืนนะมีแต่ความสุขพึ่งมาปฏิบัติพึ่งมาที่นี่ครั้งแรกอะคะ่ะทีนี้มีคําถามจะถามคือว่า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 ก็เครียดเมื่อนั้นเครียดเรามันก็เพง่ง เ, <อ>เราก็ทำผิดแล้วเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพง่งแต่สอนให้รู้งั้นจะหัดแยกสภาวะของการรู้กับการเพ่งให้เป็นเมื่อไร่จงใจจะปฏิบัติเมื่นั้นจะไปจ้องใส่มันจะไปเพง่งความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้าหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้สบายๆ ส, สติเกิดเองจะไม่เครียดนะของคุณมันจงใจเยอะไปนิดนึง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 คือเผลอบ่อยแล้วก็เลยชำเลืงใช้ชำเลืองดูเอาไม่ทราบว่าจงใจชำเลือ ง, ลงอยู่นะก็จงใจใช่ไหมเอออย่าไปจงใจยังจงใจปฏิบัติแล้วมันยังแข็งแ ข, ข็งอยู่รู้สึกไหมใจของเราแข็งแข็งนิดนึงและยังจงใจทําอยูตอ่ต้องต้องทําป็นไงด้วยนะให้รู้ทันวนะ่าจงใจอย่าอยากปฏิบตัติถ้าเมื่อไหร่อยากปฏิบัตินะเมื่อนั้นจะจงใจเมื่อไหร่จงใจก็จะเข้าไปกําหนดเข้าไปเพ่งจ้อง ใจก็จะเครียดๆหนักหนักขึ้นม า, าบบให้กายให้กายให้ใจทำงานไปแล้วตามรู้เอาจอกันีข้อนะคะคือคื อ, คอสสัยอย่างตอนที่เวลาที่เราทำงานบ้านทำเรียนบททั่วไปนะคะตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะดูตรงไหนเพราะว่าจิตมันก็มันจะนิ่งมาก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 การเคลื่อนไหวได้ไห้คะได้สิเดินทุกก้าวที่เดินต้องรู้สึกนะไม่งั้นเดี๋ยวเดินเหยียบหมาเหยียบแมวอะไรไม่ดีแต่ตนะอนนี้มันรู้สึกมันไม่ใช่เป็นสมมติว่าถ้าบอกว่าดูเวลาเราอะไรแล้วเราดูกายเยนี่ น, นะคะมันก็ไม่ใช่ปรมรัสใช่ไหมคะคืออย่างนี้ให้ทําความรู้สึกแค่ว่ารูปนี้เคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นแค่คนดูนะไม่ต้องไปคิดเรื่องปรมัดนะ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 แต่เฉลยเลยก็แล้วกันนะโยมคิดมากนะอย่ให้ไปดูเลยคิดหนักกว่าเก่ายุ่งตายแล้วเราจะแก้ยังไงไม่แก้่ก็ขอให้คิดมากไปแต่ให้รู้ว่าคิมันคิดแล้วเรารู้ว่าคิดมันคิดแล้วเรารู้ว่าคิดแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยจิตจะหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้จิต